ขอใหมนุมม์นอาจารย์สนใจแสดงธรรมเช้านี้ด้วยครับขาาบ้าพุทธาพระรัตนตรัยระบุทธาครูบาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรบย่างพระอาจารย์ไพศาลหลวงพ่อกมครูบาจารย์พันเตเพื่อนสาตมิกเจริญพรมาอย่าง แม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่าน <c oughs> อ่ะก็นั่งกันตามปกติเนาะเช้าวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่สี่ตุลาคมนะพุทธศักราช2อ5 9นหะน้สาะอีกสองวันนะก็จะครบสี่สิบปีในเหตุการณ์หกตุลาหนึ่งเก้าใครที่มีอายุตั้งแต่ห้าสิบขึ้นไปเนี่ย นะคงจะทราบเรื่องนี้ดีแต่คนที่อายุน้อยกว่า น, นั้นอาจจะไม่ทราบหรืออาจจะได้ยินได้ฟังมาบ้างนะตัวตมาเองก็ได้มีส่วนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะก็จะนำบางส่วนนะที่จะ <c oughs> มาเล่าสู่กันฟังนะแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวกับธรรมะนะที่เราจะนำไปใช้ เ, เมื่อประมาณ40ปีที่แล้วเนี่ยนะในประเทศไทยเรานะก็มีการปลุกกระแสความเชื่อนะว่ามีบุคคลบางกลุ่มบางพวกนะเป็นพวกที่จะเข้ามาทำลายล้างประเทศไทยนะด้วยลัทธิการเมืองนะที่เราเรียกว่ า, วาคอมมินะิตซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็ เรียกว่ามีการปกกระดมกันทำนะให้มีความเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะก็มีการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายนะในส่วนของนักศึกษานะก็ส่วนใหญ่นะก็จะถูกป้ายหรือว่าทำความเชื่อว่านักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวความคิดทางด้านสังคมนิยมแล้วก็เป็นคอมมินิสต์ซึ่งตรงนี้มันจะท จะมาทำลายหรือจะมายึดของประเทศไทยนะซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะก็ทำให้เกิดการแบ่งแยกนะกลุ่มคนนะฝ่ายหนึ่งนะก็เชื่อนะว่ามีจริงๆนะอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามที่จะอบอกว่าไม่จริงไม่มีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะจน นำไปสู่การล้อมปราบนะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนมะื่อวันที่6ตุลาคมนะพุทธศักราช2519นะซึ่งช่วงนั้นอาตมาเองก็เป็นนักศึกษาอยู่นะก็ไปอยู่ในเหตุการณนะ์แล้วก็ได้มีโอกาสเห็นนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะซึ่งตรงนั้ น, เ, นเป็นเรื่องที่น่าสลดหดหู่มาก นะมีการฆ่าฟันคนไทยด้วยกันนะโดยเฉพาะนักศึกษานะโดยความเป็นจริงนั้นนักศึกษาเนี่ยมีความตั้งใจนะที่จะทำเพื่อประโยชน์สังคมแล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนยากคนจนคนที่เสียเปรียบในสังคมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็ไปขัดผลประโยชน์นะกับกลุ่มคนที่มีฐานะ นะทางเศรษฐกิจดีก็ตามหรือได้เปรียบทางสังคมก็ตามนะเขาก็ไม่ค่อยชอบใจนะก็เลยต้องสร้างสถานการณ์แล้วก็สร้างเหตุต่างๆขึ้นมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็ทำให้เกิดการฆ่าฝันกันนะก็มีคนตายไปเป็นร้อยนะโดนจับอีกประมาณเป็นพันนะจำนวนที่แน่นอนเนี่ยแต่มาจำไม่ได้นะก็ คิดว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สลดทุกู่มากนะตรงนี้เนี่ยนะก่อนที่จะเกิดการทำลายล้างกันเนี่ยก็มีการสร้างข่าวนะขึ้นมานะสร้างความเชื่อนะว่ามีคนจะเข้ามานะปกครองประเทศไทยด้วยระบบคอมมิวนิสต์นะจะไม่มีระบบกษัตริย์จะไม่มีศาสนานะ ตรงเนี้ยมันก็ทำให้คนที่ไม่รู้เรื่องจริงๆเนี่ยนะฟังจต่ข่าวสารจากวิทยุบ้างหนังสือพิมพ์บ้างนะก็เชื่อไปตามๆกันนะแล้วก็เกิดการแบ่งแยกกันแล้วก็มองนักศึกษาว่าเป็นเป็นอะไรก็ว่าเป็นศัตรูนะเป็นข้าศึกนะแล้วก็เป็นกลุ่มบุคคลที่จะต้องทำลายล้างนะซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่การล้อมปราบในที่สุดนะซึ่งตรงนี้เนี่ย นะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความเชื่อนะที่มีการปลุกกระแสแนะละสร้างความเชื่อกันขึ้นมาเมื่อพูดถึงความเชื่อเนี่ยนะคนไทยเราที่ไม่พิจารณาไตร่ตรองให้ดีนะตรงนี้ก็จะทําทให้เราเชื่ออะไรง่ายๆนะโดยไม่หาเหตุหาผลนะแล้วก็เมื่อเชื่อเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความคิดเกิดทัศนคติ นะในการที่จะมองคนก็ดีมองกลุ่มบุคคลก็ดีมองเหตุการณ์ต่างๆก็ดีนะแล้วก็กระทำลงไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็จะทาให้เกิดความเสียหายขึ้นมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเชื่ออะไรโดยที่เราไม่มีเหตุมีผลเนี่ยนะบางทีเราก็ถูกหลอกอ ง, ง่ายๆนะอย่างเช่นที่หลอกนะหลอกให้เรา โอนเงินไปบ้างนะอย่างเช่นเคยมีเหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะญาติโยมแม่แต่พระนะอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นข่าวข่าวมาว่ามีงบประมาณนะจะมาบูรณะปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในวัดนะโดยสำนักพุทธศาสนานะก็มีเาเรียกว่าเหมือนในหน้านะมาว่าเออจะมาบูรณะมาปรับปรุงวัดนะ จำนวนเท่านั้นเท่านี้นะแต่ว่าจำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับการวิ่งเต้นนะกับผู้ใหญ่ข้างในนะก็ขอเงินไปสักอสองหมืนสามห0 0อะไรอย่างนี้นะบางทีเจ้าว่าท่านก็ไม่ทันได้ฉุกคิดนะก็หวังว่าเออจะได้ราบก้อนใหญ่นะก็ยอมเสียสละไปสุดท้ายก็โดนหลอกนะโดนหลอกคือนักต้มตุนทั้งหลายเนี่ย ก็มาหลอกเอาไปนะเสียงเงินไปสอง0มืนสามมืนก็ไม่ได้อะไรกลับมานะนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะเชื่ออะไรง่ายๆเนี่ยความเชื่อถ้าไม่มีปัญญาประกอบนะไม่ใคร่ครวญก่อนที่จะตัดสินใจเนะี่ยเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดความเสียหายเมื่อเดือนที่แล้วนะก็มีนักธุรกิจคนหนึ่งนะก็ไม่ใช่ธุรกิจใหญ่ตัตอะไรนะเป็นคนขายอะไหล่รถ อยู่ที่จังหวัดอายุทยานะก็มีลูกค้าคนหนึ่งนะเข้ามาติดต่อนะโดยผ่านทางโทรศัพทนะ์ว่าจะซื้ออะไรนั้นอันนีนะ้แล้วก็เตรียมจะโอนเงินล่วงหน้ามาให้นะขอเลขที่บัญชีนะขอชื่อขอนามสกุลขอสําเนาบัตรประชาชนนะเพื่อที่จะได้เตรียมโอนเงินมาให้นะก็ปราก็ว่าส่งสิ่งเหล่านี้ไปนะภายในหนึ่งสัปดาห์เนี่ย เงินในบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่เขามีอยู่เก็บหอมรอมริบเอาไว้เป็นล้านเนี่ยหายไปในพริบตาแล้วก็สืบไปสืบมาก็ทราบว่าผู้ที่โทรมาเนี่ยนาะข้าเอาหลักฐา น, นต่างๆเลขที่บัญชีบัตรประชาชนทั้งหลายเนี่ยน่ะไปปลอมทำบัตรเอทเอใหม่นะแล้วก็กดเงินที่มีอยู่ออกไปหมดนะซึ่งตรงนี้เนี่ย นะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีการหลอกลวงต้มตุกันนะถ้าให้เกิดความเชื่อนะก็เสียหายเหมือนกันนะหรือบางทีมีเหมือนกันนะมีเลขเด็ดนะพวกเล่นหวยนะบอกว่าอันนี้เป็นเลขในภายในกองสลากนะถ้าต้องการก็ให้ส่งเงินมาจำนวนเท่านั้นเท่านีนะ้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลอกลวงกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ถ้าเราไม่มีปัญญานะที่จะฟังที่จะเชื่ออะไรง่ายๆนะตรงนี้ก็จะทำให้เราได้รับความเสียหายเพราะนั้นความเชื่อก็ดีสิ่งที่เราได้ยินข่าวสารต่างๆเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าปัจจุบันนี้ข่าวสารนะในโลกมันรวดเร็วมากโดยเฉพาะเครื่องมือสื่อสารทางอินเทอร์เนต็ตนะจะเป็นรูปใน เฟซบุ๊กก็ดีไลายก็ดีดหรือแม้แต่ข้อมูลข่าวสารมีทั้งข่าวจริงข่าวไม่จริงนะมีทั้งข่าวที่ทำให้เกิดความตื่นตนกนะมีทั้งข่าวที่ทำให้เราต้องเตรียมตัวระมัดระวังนะอย่างตอนนี้ก็มีข่าวว่าในประเทศจีนนะถึงกับบอกคนของเขาว่าให้เตรียมพร้อมนะที่จะทำสงครามโลกครั้งที่สามแล้วรัเสเซียก็เตรียมแล้ว นะเพราะตอนนี้สหรัฐกำลังเศรษฐกิจตกต่ำนะจะต้องหาเรื่องนะในการที่ต้องทำสงครามเพื่อที่ได้ขายอาวุธนะตรงนี้เป็นเรื่องที่ก็เป็นข่าวข่าวกันอยู่นะเราก็ฟังฟังหูไวห้หูนะไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจนะเมื่อประมาณสองสมปีที่แล้วเราคงจะได้ข่าวดีได้ข่าวกันอยู่ว่าเนี่ยนะในปีนั้นปีนี้นะจะเกิด มืดฟ้ามัวดินเจ็ดพคืนอาจจะเกิดภัยพิบัติต่างๆเพราะฉะนั้นจะต้องให้เตรียมตัวไว้พร้อมนะมีการกักตุนอาหารนะบางคนเชื่อจริงๆนะก็มีการกักตุนอาหารจริงเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเตรียมห้องใต้ดงใต้ดินต่างๆนนี้เรียกว่าเป็นมงคลตื่นข่าวนะซึ่งพอถึงเวลาจริงๆก็ไม่มีเหตุการณ์นั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เรา จะต้องใช้ปัญญาพิจารณานะข่าวสารต่างๆที่เข้ามาเนี่ยบางเรื่องก็เป็นเรื่องจริงบางเรื่องก็เป็นเรื่องเท็จเพราะฉะนั้นเราจะต้องดนะูจากแหล่งข่าวสารเนี่ยหลายๆแหล่งนะอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เกินความเป็นจริงนะหรือทําให้เราต้องเสียผลประโยชน์เนี่ยนะเราก็อย่าพิ่งไปตัดสินใจนะตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาใครควรให้ดี มีความเชื่ออย่างเดียวไม่พอนะมันต้องมีปัญญาประกอบกันไปนะแล้วเมื่อเชื่อแล้วเนี่ยนะต้องมีการกระทำนะกระทำลงไปพิสูจน์ลงไปอย่างเรามาอยู่วัดป่าสุกโตเราได้ยินได้ฟังธรรมะนะจากครูบาอาจารย์จากหนังสือจากสื่อต่างๆเมื่อเราอ่านแล้วเราเชื่อเรามีความศรัทธา นะเราได้ลงมือปฏิบัติแล้วหรื อ, อยังนะถ้าเรายังไม่ลงมือปฏิบัติมันก็เพียงแค่ศรัทธาชั่วคราวนะเดี๋ยวบางทีมันก็ลืมไปทีนี้ถ้าเรามีความเชื่อแล้วเราลงมือปฏิบัติเช่นมีความเชื่อว่าการเจริญสติาตามหลักสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยเราจะทําให้เราสามารถออกจากความทุกข์ได้ออกจากความคิดปรุงแต่งได้นะนี่คือความเชื่อ าจากการได้ยินได้ฟังนาจากการอ่านนะแล้วเราก็ลองไปลองปฏิบัติดูไปลองทำดนะูมันจริงไหมนะหรือว่ามันเป็น เ, เพียงแต่อยู่ในตัวหนังสือเป็นเพียงแต่คำพูดนะถ้าเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติมันไม่ได้เกิดประจักษ์แจ้งกับตัวเราจริงๆเนี่ยความศรัทธามันก็เสื่อมถอยได้เสื่อมคลายได้แต่ถ้าเราเมื่อลองประพฤติปฏิบัติลงไป มีผลเกิดขึ้นจริงๆนะมันสามารถออกจากความคิดจากความทุกข์ได้จริงนะอันนี้นก็จะเป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อที่ตั้งมัน่นนะแล้วก็จะไม่คลอนแคลนด้วยนะความศรัทธาอย่างนี้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะความศรัทธาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะของการเดินทางนะทั้งในส่วนการใช้ชีวิตทางโลกแล้ว ก, ก็การใช้ชีวิตในทางธรรม นะแต่จะต้องเป็นสัญญาเป็นศรัทธาหรือเป็ น, ปนเป็นความเชื่อนะที่ประกอบไป ด, ด้วยปัญญานะไม่ใช่ความเชื่อลอยๆยนะความเชื่อเลื่อนลอยหรือความเชื่อที่งมงายนะความเชื่องมงายนั้นเรามีมานานแล้วนะแต่ก่อนเราก็เชื่อว่าชีวิตของเราเนี่ยนะจะดีหรือจะร้ายก็ขึ้นอยู่กับพระพรนะนั้นคือความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ ที่เรียกว่าพรมมรรคิทิ์ซึ่งมีมาตั้งแต่ก่อนจะมีพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมานท่านก็ปฏิวัติระบบความเชื่อนั้ น, นท่านเสนออะไระสิ่งที่ท่านเสนอก็คือเชื่อในกรรมคือการกระทาเชื่อว่าถ้าเราทำดีมันก็ดีถ้าเราทำไม่ดีมันก็ไม่ดีนะ แลนะสิ่งที่ทําลงไปเนี่ยมันมีผลแน่นอนนะจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะแล้วก็เชื่อนะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะสามารถที่จะออกจากความทุกข์ได้มีศักยภาพมีความสามารถที่จะกระทําอย่างนั้นได้นะเราไม่ได้ยอมจำนนกับความเชื่อเก่าๆว่าคนเราจะดีหรือจะร้ายมันขึ้นอยู่กับพระพรหม ขึ้นอยู่กับก็สร้างมาแล้วนะถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีการการะทำเราจะเราจะนั่งจะนอนนะแล้วแต่พระพรมนะจะเป็นผู้ดลบันดาลหรือลิขิตนะด้วยการสวดอ้อนวอนซึ่งตรงนี้เนี่ยความเชื่อแบบนี้เนี่ยแม้แต่ในปัจจุบันก็ยังมีกันอยู่มากโนะดยเฉพาะคนไทยเรานะเพราะว่า การสวดอ้อนวอนก็ดีการบนบาลสารกล่าวก็ดีมันง่ายมันไม่ต้องลงไม้ลงมือมันไม่ต้องกระทําแต่การที่เราจะต้องลงมือกระทําเนี่ยมันยากายิ่งการประพฤติปฏิบัติเนี่ยนยิ่งยากขึ้นไปอีกมันไม่ง่ายเหมือนอย่า ง, งที่เราอ่านหนังสือมันไม่ง่ายเหมือนอย่า ง, งที่เราได้ยินใน้ฟังหรอกเมื่อลงมือกระทำอย่างเช่นการเจริญสติเนี่ยนะ คนใหม่ๆเนี่ยมันจะง่วงนอนมันจะเบื่อนะมันจะฟุ้งซ่านมันจะปวดเมื่อยนะตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราไม่เข้มแข็งพอเราไม่มีความเพียรไม่มีความตั้งใจมันจริงๆเนี่ยนะมันก็ไม่ผ่านอารมณ์พวกนี้นะและหลายคนก็ถอยนะเพราะคิดว่าเออมันคงไม่ถูกกับจริตนิสยัยเราละมั้งนะไปเชื่อในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ นะไม่เชื่อความจริงของพุทธเจ้าว่าเราสามารถจะผ่านสิ่งเหล่านี้ได้เราสามารถที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้นะตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นความเชื่อเนี่ยนะบางทีมันก็ทําให้เราเออถอยหลังได้เหมือนกันถ้าเราไม่มีปัญญาแต่ความเชื่ออย่างเดียวก็ไม่พอนะมันต้องมีปัญญามันต้องมีความเพียรนะมันต้องมีสติมีสมาธิประกอบกัน นะที่เรียกว่าอินรียห้าพละหนะ้าไม่ใช่ตัวศรัทธาตัวเชื่ออย่างเดียวนะจะต้องมีการกระทำลงไปเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งหนึ่งสำคัญมากนะในการที่เราจะต้องนะนำสิ่งเหล่านี้นะมาทำให้เรามีพะละกำลังนะในการที่จะเดินทางโนะดยเฉพาะการเดินทางทางจิตทางใจนะการฝึกฝนอบรม ที่จะต้องทำให้มันต่อเนื่องนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเมื่อเรากระทำลงไปนะมันมีผลเกิดขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆนะเช่นการที่เราเจอกับความง่วงเราสามารถที่จะผ่านมันได้เราไม่ยอมแพ้มันนะอย่างเราปฏิบัติอยู่มันง่วงขึ้นมาเราก็ไม่กลับไปนอนที่กุฏินะเราก็ฝืนทำไปก่อนในช่วงแรกๆ เดี๋ยวเราก็จะเห็นเลยความง่วงมันก็ไม่ได้ง่วงตลอดเวลาหรอกเดี๋ยวมันก็ตื่นเดี๋ยวมันก็ง่วงความเบื่อความฟุ้งซ่านความปวดเมื่อยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงอาการของกายของใจนะที่แสดงออกมาให้เราได้เรียนรู้นะไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาขวางกั้นนะนะจริงๆเขาบอก ม, มันเป็นอุปสรรคเป็นขวางกั้นแตนะ่จริงๆอันนี้มันเครื่องทดสอบดีๆนี่เอง ทดสอบกำลังใจของเรานะว่าจิตใจของเราเข้มแข็งพอไหมนะเราจะผ่านด่านตรงนี้ได้ไหมนะถ้าเราผ่านตรงนี้ไม่ได้เนี่ยโอ้ตัวกิเลส ท, ที่มันละเอียดขึ้นไปเองเนะมันก็จะผ่านยากนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะให้เรามีความเชื่อมั่นศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติว่าเป็นไปได้เราสามารถที่จะผ่านไปได้ สิ่งที่ครูบาอาจารย์พูดเนี่ยนะแล้วเรามีความเชื่อนะเชื่อว่าสามารถจะออกจากความทุกข์ได้สามารถที่จะเอาชนะนะสิ่งที่เป็นความง่วงความเบื่อความฟุ้งซ่านไดนะ้ตรงนี้คําว่าเอาชนะในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะแปลจริงเอาจังกับมันนะเพียงแต่ว่าเรารู้เราเห็นมันแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะมันง่วงก็อืท่างมันนะ แล้วเราก็ปฏิบัติของเราต่อไปเดินต่อไปนั่งสร้างจังหวะต่อไปนะตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถผ่านอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้เมื่อเราผ่านอารมณ์เหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จะไปสัมผัสกับอารมณ์ที่มันละเอียดยิ่งขึ้นจะเป็นความสงบก็ดีความปลอดโปร่งโล่งเบาสบายก็ดีนะมันก็จะอยู่เบื้องหลังของความง่วงนี่แหละแต่ก็อย่าไปติดมันอีกนะ ความรู้สึกเหล่านี้อาการเหล่านี้นะก็เป็นสิ่งที่จะแสดงผ่านเข้ามานะเป็นธรรมะที่ให้เราเรียนรู้เพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตัวสติมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆตัวความคิดตัวกิเลสมันก็จะพัฒนาของมันตัวมันเองไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเพียงแค่ตรงนี้เนี่ยนะเรามีความเชื่อความศรัทธาลงมือกระทำนะแล้วมีความตั้งใจ ในการที่จะทำให้มันต่อเนื่องเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะผ่านอุปสรรคต่างต่า ง, างแล้วก็จะได้เรียนรู้นะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเราเรียนรู้มันไปเรื่อยเืเกิดการปล่อยการวางไปเรื่อยเรนะืจนถึงที่สุดนะมันสามารถที่จะเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ได้ยังปวดยังเมื่อยอยู่นะ่ะยังง่วงเหงาเขานอนอยู่แต่มันก็ไม่มา ทำให้เร า, เาต้องอลำคาญนะหรือไม่ทําให้เราจะต้องเป็นไปตามอาการเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้จักจิตใจที่เป็นอิสระนะความพอเหมาะพอดีความเป็นปกติของใจนะที่จะแสดงตัวออกมาอย่า ง, างชัดเจนซึ่งอันเนี้ยมันมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติดั้งเดิมนะของจิตใจที่มันมีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าแรกๆเนี่ยมันก็มีสิ่งที่มาขวางกัน้นนะทำให้เรามองไม่ชัดนะเมื่อเราได้เจริญอย่างต่อเนื่องมีปัญญาใคร้ครวนพิจารณานะตรงเนี้ยมันแค่ทาให้ภาพของความเป็นปกติของใจเนี่ยแสดงตัวออกมาอย่างชัดเจนความพอเหมาะพอดีความสมดุลของชีวิตของจิตใจนะก็จะเป็นความพอเหมาะพอดีเหมือนกัน นะแล้วมันก็จะทำให้ความเชื่อความศรัทธาที่เรามีในเบื้องแรกที่ยังไม่มัน่นคะงก็จะมั่นคงยิ่งขึ้นนะแล้วก็เชื่อในปัญญาของพระพุทธเจ้าเนะชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะว่ามันมีจริงมันเป็นไปได้มันทำได้จริงๆนะไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เขาพูดกันมาแล้วเราก็ฟังฟังกันมานะ เราก็เชื่อตามๆกันมาพ่อแม่พูดมาครูบาอาจารย์พูดมานะเราก็ฟังเราก็เชื่อแต่เราไม่ได้ลงมือปฏิบัตินะ่ะสุดท้ายมันก็จะเลื่อนไปนะเหมือนอย่างกับคนในยุค ป, ปัจจุบันเนี้ยก็มีไม่มากหรอกที่เชื่อนะ่ะพระพิ จ, า, จรารณ์มีจริงการตรัสรู้มีจริงนะส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อในออลัทธิเรียกว่าวัตถุนิยมบริโภคนิยมแลนะยังเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงนั้นได้จากการ เสพการกินการดื่มการเที่ยวการสนุกสนานนะเขาเชื่อว่าความสุขมีแค่นั้นนะจริงๆความสุขมันมีมากกว่านั้นนะเพราะว่าเขายังไม่ได้มีโอกาสสัมผัสในส่วนของพวกเรานะที่มาอยู่ที่วัดป่าสุกโตบรรยากาศของความเงียบสงบสงัดของสถานที่ทำให้เราได้สัมผัสกับความสุขที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องไปวิ่งหาเสพสิ่งต่างๆมากมาย นะและเราก็ได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติจเจริญสตนะิได้สัมผัสกับความละเอียดอ่อนของอารมณนะ์ของจิตใจนะที่เป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่มีโอกาสสัมผัสได้ง่ายๆนะในชีวิตของคนในเมืองนะที่มีภาร ก, กิจนะมีงานมีการนะมากมายทีเดียว มีสิ่งที่เราจะต้องไปให้ความสนใจใส่ใจมากมายทีเดียวแต่เราอยู่ที่นี่เราไม่ต้องมีตรงนั้นนะภารกิจหรืองานที่มีอยู่ก็มีไม่มากนะนะมีเล็กๆน้อยๆนะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลานะที่จะวิ่งห า, าวัตถุมาบำรุงบำเรอนะเรียกว่าเราอยู่กันพอเหมาะพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมีเวลาที่จะ มาใส่ใจสนใจนะกับการฝึกฝนจิตใจของเรานะ่ะให้ออกจากความทุกข์ได้ออกจากความคิดปรุงแต่งได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะ่ะจึงว่าเป็นโอกาสพิเศษนะเป็นเวลาที่มีค่านะของการที่เรามาใช้ชีวิตที่นี่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ในเช้าวันนี้นะ อะไรในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงอกุณของพระศีรษะตนไตรัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือสิ่งสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือเสชาธรรมความจริงที่แสดงปรากฏทั้งภายในภายนอกตัวเราพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติของแต่ละท่านณด้วยศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติ สมาธิและปัญญาขอให้สิ่งเหล่านี้ได้เป็นพลวะปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านน่าได้ออกจากความทุกข์น่าเข้าถึงสุขเกษมสารมีพระนิพพานในเรวนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร